เกือบทุกคนถามเป็นเสียงเดียวกันหมอเบอเอาหลังมือขยี้ปลายจมูกที่เต็มไปด้วยเหงือของหล่อนสีหน้าชงนคลางแคลงใจขีดสุดแล้วเหลือตาไปทางระพินผู้ซึ่งก็มองอยู่ก่อนแล้วฉันว่าฉันพบอะไรที่ทำให้ยิ่งงงเขาไปใหญ่ดูนี่ทิหล่อนใช้ปลายมีชี้ให้ทุกคนดูตรงบริเวณกลางศาีรษะ ของซากแล้วบอกต่อไปว่านี่มีรอยหินย้อยเกาะอยู่ที่ศีรษะของซากนี่แสดงว่าตลอดเวลามามันจะต้องยืนหรือนั่งเอาศีารษะขึ้นใกล้ๆกับผนังเพดานถ้าซึ่งเมื่อการเวลาผ่านไปหินก็จะย้อนลงมาเชื่อมติดอยู่กับส่วนศีรษะของมันและนี่ก็มีรอยหักของหินย้อยที่ลงมาเชื่อม นั่นแสดงว่ามันเคลื่อนไหวออกมาจากตำแหน่งที่เคยอยู่อย่างสงบนิ่งมานับเป็นเวลา 10, 10, หมื่นๆ ม, มื่นปีหมื่นๆมื่นปีทุกคนยกเว้นรบพินและบุญคาอุทานลั่นเป็นเสียงเดียวกันตาเหลือเบนกัดริมฝีปากแน่นสีหน้าพิพักพิพ่วนเต็มที่ใช่ต้องใช้เวลาเป็นหมื่นๆมื่นปีขึ้นไปหินจากเพดานด้านบน จึงจะนอกลงมาเชื่อมกับซากนี่ได้นี่เป็นเรื่องน่าง ง, งเหลือเกินเวลาย้อนหลังเป็นหมื่นปีขึ้นไปฉันไม่แน่ใจว่ามนุษย์จะมีกำเนิดขึ้นในโลกแล้วหรือยังเพราะคนไม่พบหลักฐานทางโบราณศาสตร์และสมมุติว่าในเวลาขนาดนั้นจะมีมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วตามหลักวิชาก็บอกไว้ว่าย่อเป็นมนุษย์ดึกดาบรรชาวถ้า มีความเป็นอยู่ไม่ผิดอะไรกษัตริย์ป่าแต่เครื่องแต่งกายของซากนี่มันบอกชัดว่าเป็นมนุษย์ที่เคยรุ่งเรืองมาแล้วด้วยศิละปะวัฒนธรรมเอ้มันแปลกจริงๆเชิดวุฒหันไปสบตารพินอีกแวบหนึ่งเหินจอมพรานกำลังดูดบุหรี่แก้มตอบและเป่าควันเป็นทางยาวลงคงสงบนิ่งไม่เอ่ยคาใดๆทั้งสิ้น ปล่อยให้อเมริกันกลุ่มนั้นตรวจค้นสแสวงหาความจริงเอาเองเป็นคู่ใหญ่ทีเดียวที่อเมริกันทั้ง4คนหารือกันเองอย่างเครื่องเครียดสุดก็เห็นมาทางจอมักุเทศผู้สงบเฉยเป็นตาเดียวเพราะดูว่าเหตุการณ์และภาวะแวดล้อมเช่นนี้เขาคนเดียวเท่านั้นจะเป็นที่หวังที่พึ่งและที่ปรึกษาให้ความกระจ่างชัด แก่ทุกคนออกไปได้ผู้เอ่ยเรียกเสียงเบาต่ำคือหัวหน้าคณะกระพินดูดวดสอบที่ซากประหลาดนี่แล้วนะมีความเห็นตรงกันหมดว่ามันเป็นซากโบราณเหลือที่จะกะคำนวณอายุได้ทีเดียวโดยพิสูจน์จากร่องรอยของหินย้อยที่งอกมาเชื่อมติดกับศีรษะและบางส่วนของซากอันจะต้องใช้เวลานา น, านหรือเกิน แต่ก็อย่างที่เบนได้ให้ทัศนะไว้แล้วคือความเก่าแก่ของซากกับลักษณะแต่งกายหรือเครื่องประดับของซากมันค้านกันอย่างบอกไม่ถูกเพราะมันหมายถึงว่าครั้งหนึ่งที่เจ้าของซากนี้ยังมีชีวิตอยู่เขาได้อยู่ในยุคที่มีอารยธรรมมาพอสมควรแล้วแต่หลักฐานของหิงย้อยที่งอกมาเชื่อมซากได้แสดงถึงว่ามันนาน นานก่อนยุคประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเท่าที่วิชาประวัติศาสตร์โบราณศาสตร์จะบันทึกไว้ได้นะคุณแล้วยังไงละครในสีหน้าตายด้านตามบุคลิกรพิญย้อนถามนเราก็อยากจะทราบความเห็นของคุณบ้างอย่างน้อยจากการคาดคะเนการเดาหรือประสบการพบเห็นมาก่อนของคุณก็ยังดี ผู้ที่ยิงคำถามติดต่อมาอย่างรวดเร็วคือคริสติน่าผู้ฉลาดคมและละเอียดอ่อนทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับคงจะทราบดีแล้วว่าผมนะ่ไม่ใช่นักศึกษาทางประวัติศาสตร์โบราณศาสตร์ผมไม่มีความรู้ในทางธรณีวิทยาหรือว่ากดิ์โบราณตลอดจนวิวัฒนาการของมนุษยชาติมาก่อน ผมเป็นแต่เพียงพรนนำทางมีความรู้เฉพาะการเดินป่าล่าสัตว์แล้ว ก, ก็ยุทธวิธีจากวิชาทหารที่ร่ำเรียนมาบ้างเท่านั้นครับเกรงว่าจะช่วยอะไรท่านไม่ได้มากนักเกี่ยวกับซากโบราณที่ลึกลับนี่พบเห็นอะไรก็เชิญท่านให้มารับทราบรับเห็นไว้ด้วยเท่านั้นเองครับนี่คุณคุณไม่ควรจะปลีกตัวจากการขอร้อง ให้ร่วมเข้ามาหารือและวินิจฉัยในเรื่องลีรัตนะคุณแล้วก็ไม่ควรจะถ่อมตนจนเกินไปนักคริติน่าพูดเน้นเสียงสออาการพ้อติงอยู่ในรูปประโยคและกระแสเสียงนั้นสายตาที่มองดูเขาก็เป็นประกายเท่าทันในการใช้คำพูดแบบหลีกลบปรีกตัวของเขามีสังหหอนอะไรบางอย่างของฉันที่จะบอกได้ว่า คุณจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องลี้ลับชนิดนี้มาก่อนนะเว้นไว้แต่คุณจะไม่ยอมพูดความจริงทั้งหมดเท่านั้นโอ้พีสมิสเตอร์ฮันเตอร์ครุณาอย่าได้เย็บปากอยู่อย่างนั้นเบลอ้อนบอนมาอีกคนหนึ่งคนนามสกุไลไฟรวันเต็ไมไปด้วยความอึดอัดลำบากใจไอ้ครั้นจะบอกความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ตัวเองและคณะของคุณชายเชษฐา เคยผ่านพบพเผชิญมาก่อนแล้วหรือก็ไม่สามารถจะบอกได้ในเวลานี้ไอ้ครั้งจะเก็บนิ่งเฉยทําเป็นไม่รู้อะไรเลยคนกลุ่มนี้ก็ดูเหมือนจะยิ่งสงสัยและเท่าทันของอยู่ในการซ่อนเร้นความจริงบางประการไว้แต่ถ้าจะพิจารณากันตามความจริงแล้วเมื่อวันเวลาได้ล่วงผ่านมาจากกา ร, รเผชิญภัยร่วมกันในป่าอเมริกันกลุ่มนี้ทั้งกลุ่ม ก็มอบความไว้วางใจให้แก่เขาจนหมดสิ้นไม่มีใครบังอาจแสดงความอวดรู้อวดดีหรือดูหมิ่นดูแคลนใดๆเขาเหมือนแต่แรกเลยเนื่องมาจากได้เห็นฝีมือกันจักแจ้งแล้วรวมทั้งรู้ถึงพื้นฐานการศึกษาด้วยเชิด ว, วุตรที่พอจะรู้อะไรเป็นในๆมาก่อนแล้วก็กำลังจับตาเขมงดูอยู่ที่เขาเหมือนจะคอยฟังว่าเขาจะตอบคนเหล่านั้นเช่นไร สุภาพบุรุษไายเดินอ้อมไปทางศรีรษะของศากตรงที่หมอเบลกําลังนั่งตรวจอยู่แล้วเขาก็เห็นตามที่เบลได้กล่าวไว้จริงคือมีรอยหิน ย, ย้อยงอกเป็นเส้นเชื่อมลงมาติด ก, กับศีรษะของศากมีน้ำซ้ำบางส่วนจับแผ่เคลือบปกคลุมบริเวณศรีรษะนั้นไว้เหมือนเอาปูนพลาสเตอร์เทหล่อแต่ส่วนของหิน ง, งอกมีรอยหักสะบั้น เพราะมีกำลังบางสิ่งบางอย่างมาฉุดร่างนี้ให้หลุดออกมาจากที่อันเคยเป็นแหล่งสถิตของมันมานับกับกันสรุปให้สั้นพวกคุณสงสัยอะไรเขาพยายามพูดด้วยเสียงเรียบปกติที่สุดอันเป็นตรงข้ามกับความรู้สึกภายในของตัวเองซึ่งเล่าร้อนกังวลไม่ผิดอะไรกับคนเหล่านั้น ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาถงสงสงสัยทั้งนั้นน่ะแต่เราจะเอาเฉพาะจุดที่สำคัญก่อนคุณเห็นด้วยกับฉันไหมในข้อที่ว่าซากนี้เก่าแก่โบราณเกินประวัติศาสตร์มนุษย์จากกินย้อยที่ไหลลงมาเชื่อมติด ซ, ซากนี่ครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ผมคำนวณย้อนกลับไปไม่ได้ว่ามันนานสักเท่าไหร่แล้วอ่ะดูจากลักษณะเครื่องประดับ และการแต่งกายของสัตว์คุณเห็นด้วยไหมว่าเป็นมนุษย์ในยุคที่เคยมีอารยธรรมแล้วไม่ใช่มนุษย์หินหรือมนุษย์ทรมครับก็เห็นด้วยในข้อนั้นครับเขารับอีกแล้วความขัดแย้งของการเวลามันเกิดขึ้นได้อย่างไงช่วยอธิบายหน่อยสิไม่ได้บังคับนะแต่ขอทราบความเห็นถ้าเผื่อคุณจะมีความเห็นบ้าง ผู้พูดในครั้งนี้คือดอเตอร์สแตนลีหัวหน้าคณะเอาละครับท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีโดยทฤษฎีแล้วนะครับเราอาจพอทราบกันมาบ้างว่ามนุษยชาติได้เริ่มต้นวิวัฒนาการมาตั้งแต่เมื่อไหร่และผ่านยุคสมัยเช่นใดมาบ้างซึ่งก็กากันว่าไม่น่าจะย้อนหลังนานเกินไปนกะ แต่นั่นก็เป็นแต่เพียงทฤษฎีที่เรารับทราบมาจากบทเรียนเท่านั้นส่วนความจริงจะมีอยู่เพียงใดเกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษยชาติถ้าเราไม่คิดกันว่าเราฉลาดเลิศแล้วเราก็ควรจะยอมรับว่ามันยังเป็นสิ่งมืดมนมนุษย์อาจเกิดขึ้นในพิภพโลกนี้เริ่มตั้งแต่ใกล้เคียงกัตริย์ขึ้นมาจนกระทั่งได้พัฒนาจเจริญถึงขีดสุดอย่างในปัจจุบัน แล้วก็ได้ถูกกฎของธรรมชาติทำลายให้เผาพันศูนย์ไปหลังจากนั้นก็มาเริ่มวิวัฒนาการขึ้นใหม่โดยเริ่มต้นจากสัตว์เซนต์ต่ำขึ้นมาอีกเริ่มต้นต่อมาก็เจริญขีดสุดแล้วก็ศูนย์พันแล้วก็เริ่มต้นกันขึ้นมาอีกหมุนเวียนพลัดเปลี่ยนเป็นวงจรอยู่เช่นนี้กี่รอบกี่ยุคกันมาบ้างแล้วพวกคุณเคยคิดกันบ้างไหมครับ ทุกคนนิ่งฟังเขาอย่างตั้งใจและเงียบกริบโดยยังไม่มีใครเอ่ยแทกขึ้นทั้งสิ้นดรพินไพรวันกล่าวช้าๆต่อไปว่าเราไม่เคยเรียนรู้หรือพิสูจน์กันมาได้มาก่อนเลยว่ามนุษย์เกิดแล้วเจริญเต็มที่แล้วและดับแล้วต่อมาก็เริ่มเกิดอีกมีวิวัฒนาการขึ้นอีกกี่รอบสมัยมาแล้ว ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าระเบิดนิวเคลียร์หรืออาวุธร้ายแรงอะไรก็ตามที่พวกคุณคิดระเบิดขึ้นมันเกิดระเบิดขึ้นโดยสงครามล้างโลกมนุษย์ทั้งโลกพินาศย่อยยับกันไปทั้งหมดแล้วต่อไปอีกสักล้านปีข้างหน้าก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยอาจจะเริ่มต้นจากสัตว์เซลล์ต่ำก่อนมนุษย์ในอนาคตข้างหน้าที่ได้วิวัฒนาการขึ้นมา ก็อาจคิดอย่างเราในสมัยนี้คือคิดว่าแต่ก่อนนี้ไม่เคยมีมนุษยชาติมาก่อนเลยเพิ่งจะเริ่มเอาในยุคสมัยของพวกเราย้อนหลังไปเพียงแค่ไม่กี่แสนปีเท่านั้นเราก็คงต้องหัวเราะมนุษย์ในยุคอนาคตว่าจะพวกนั้นช่างโง่เ ง, ง่าเอาซะจริงจริงที่หารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงพวกเราเกิดมาก่อนแนละ้ว าจะไปเริ่มใหม่อีกในยุคสมัยของเขาทีนี้ลองคิดย้อนหลังลงไปในอดีตของอดีตอีกหลายหลายชั้นถ้าไม่ปิดกั้นความคิดของเราเองให้แคบเกินไปนะเราก็น่าจะมีสิทธิสงสัยได้ว่ามนุษย์อาจจะเคยมีวิวัฒนาการมาก่อนยุคสมัยของพวกเรามาก่อนแล้วโดวยถอยหลังไปอีกสักกี่ยุคก็ไม่ทราบ ด, ดั่ เพราะฉะนั้นต่อข้อสงสัยของพวกคุณในข้อที่ว่าซากนี้เป็นซากของมนุษย์ที่อย่างน้อยก็มีอารยธรรมมาก่อนแล้วแต่ไปพิจารณาถึงธรรมชาติของหิน ง, งอกหิงย้อยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานับหมื่นนับแสนปีกว่าจะงอกลงมาเชื่อมกับซากนี้ได้พร้อมกันก็ตั้งข้อสงสัยว่าในการเวลายาวนานเช่นนั้นไม่น่าจะมีสภาพของซากมนุษย์ ที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนดังที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้ดังนั้นทำไมพวกเราถึงไม่ลองย้อนคิดไปถึงสิ่งที่ผมพูดนี่บ้างคือเขาอาจจะเป็นมนุษย์ที่เคยมีวิวัฒนาการมาก่อนพวกเราแล้วในรอบหนึ่งซึ่งประวัติศาสตร์ของพวกเรายังคนลึกไปไม่ถึงล่ะครับระหว่างที่คริสตินาเบลแลสเตลลีนิ่งถึงไป คิดผิวปากหวื อ, อก็น่าคิดนะน่าคิดตามที่ระพินพูดนี่แม้จะไม่มีข้อพิสูจน์ใดมายืนยันได้ก็ตาะจริงสินะวิวัฒนาการของมนุษยชาติมีมากี่ยุคกี่รอบสมัยแล้วจากเริ่มต้นจนถึงเจริญสุดแล้วดับศูนย์สิส้นชาติไปต่อมาก็เริ่มต้นกันใหม่ บนเวียนกันอยู่เช่นนี้ไม่ต้องดูอะไรมากหลักฐานทางโบราณคดีเคยพบซากเมืองที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรซึ่งแน่ละมันต้องหมายถึงว่าได้เคยมีมนุษย์มาก่อนแล้วนับร้อยร้อยล้านปีย้อนหลังไปซึ่งเกินกว่าที่ประวัติศาสตร์จะบันทึกไว้ได้หลักฐานจากสิ่งก่อส ร, ร้างและสถาปัตยกรรมอีกหลายต่อหลายชนิด ก็คำนวณอายุของมันไม่ได้ว่าใครมาสร้างไว้ตั้งแต่สมัยใดความลี้ลับเหล่านี้นักประวัติศาสตร์โบราณคดีก็ได้แต่เดาๆกันไปเท่านั้นนี่ถ้างั้นตามความเข้าใจของคุณก็แปลว่าซากที่เราเห็นอยู่นี่เป็นซากของมนุษย์ในอีกยุคนึงคนละช่วงวิวัฒนาการกับพวกเรางั้นสิเบนถามรพิน ก็บอกแล้วว่าให้ผมเดาผมก็เดาเช่นนี้อในเมื่อคุณเองก็บอกอยู่ว่ากว่าหินย้อยจะใช้เวลางอกลงมาเชื่อมติดซากได้ต้องอาศัยเวลานานมากและช่วงระยะเวลาอันยาวนานนั้นมนุษย์ในรอบวิวัฒนาการของพวกเรายังนุ่งใบไม้อยู่ตามท่้งคริสติน่าจ้องตาเขา กันไหนคุณว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับโบราณศาสตร์ยังไงละ่ะจอมพรานเบ้ปากนิดนึงกระตุกไหล่ขึ้นก็ไม่ได้ดแปลว่าผมรู้อะไรในเรื่องนี้ดีไปกว่าพวกคุณหรือข้อสันนิษฐานของผมจะถูกต้องนี่คุณทุกคนก็มีสิทธิ์จะเดาหรือคาดเทเนได้ใช่ไหมเอาละเอาละเราผ่านปัญหาข้อนี้ไปเป็นนั้นว่าจะตั้งสมมติฐานตามหลักเกณฑ์ของคุณที่ว่ามา น, นี่ คือซากนี้เป็นซากของอดีตอดีตแล้วก็อดีตของมนุษยชาติคนละรอบวิวัฒนาการกับพวกเราดรสแตนลีย์กล่าวเคร่งขึงรีตาลงจับอยู่ที่ซากนั้นไม่เปลี่ยนแล้วทีนี้คุณพอจะสันนิษฐานต่อไปได้อีกไหมว่ามันมาจากไหนแหล่งเดิมมันเป็นที่เก็บของซากมันนะอยู่ที่ไหนแหล่งที่เก็บซาก หรือที่อยู่เดิมของซ่าผมก็คิดว่ามันไม่ควรจะห่างไกลาจากบริเวณที่เราอยู่เท่าไหร่นักหรอกมิฉะนั้นมันจะออกมาเกะกะให้เราเห็นอยู่นี่ไม่ได้ส่วนสภาพแวดล้อมของแหล่งหมอเบญันเป็นนักธรณีวิทยาน่าจะบอกได้ดีกว่าผมครับเรื่องนี้นะถ้าถามฉันแม่อกภูเขาผมแดงซึ่งเป็นทั้งแพทย์และนักธรณีวิทยา เอ่ยขึ้นเป็นงานเป็นการก็พอจะตอบได้ว่ามันจะต้องมาจากแหล่งเก็บศพหรือสุสานซึ่งมีลักษณะเป็นถ้าหินที่ใดที่หนึง่งภายใต้ภูเขาที่มีสภาพชื้นมีหยดน้ําไหลซึมอยู่ตลอดกาลอันเป็นต้นเหตุให้เกิดหินงอกแล้วก็หินย้อยขึ้นมาแต่ฉันตอบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนซากซึ่งเก่าแก่โบราณมากนี่ จึงสามารถจะคงทนอยู่ในสภาพของร่างกายแทบจะเรียกได้ว่าเกือบครบบริบูรณ์เช่นนี้แทนที่จะเหลือแต่โครงกระดูกนี่ปรากฏว่ามันมีทั้งเนื้อและหนังที่รักตัวแข็งแกร่งกลายสภาพไปดูดหินอย่างนี้กล่าจบเบนก็ฟันมีดโบวีที่ถืออยู่ในมือลงไปกลางอกของซากปรากฏว่าเสียงของมีดกระทบความแข็งกระด้างดุดยาง แข็งดังโป๊กและมีดก็กระดอนขึ้นมาทันทีอาเห็นไหมยังกางเง่าไม้ที่จมดินอยู่นานนับล้านปีตามปกติแล้วซากศพที่ทำมามีไว้ไม่เคยปรากฏว่าจะมีสภาพเหมือนซากที่เราเห็นกันอยู่นี่เลยเพราะถึงจะพอคงซากอยู่ได้ก็จะต้องผูกร่อนชุดโทมโดยเฉพาะเนื้อและหนังแม้ว่าโครงกระดูกจะอยู่ได้ก็ตามที แต่นี่มันมีลักษณะแกล่งกระด้างไปอีกอย่างหนึง่งซึ่งฉันไม่เคยศึกษาพบมาก่อนในประวัติของการทำมัมมี่ถ้างั้นให้ผมเดาบ้างเชือดวุธกล่าวโดยเร็วภายหลังจากยืนนิ่งอยู่นานถ้าเรายอมรับในสมมุติฐานของคุณรพินในเรื่องที่ว่าซากนี้น่าจะเป็นซากของมนุษย์คนละรอบวิวัฒนาการกับพวกเรามันก็ต้องแปลว่า ในยุคสมัยของพวกเขาจะต้องมีกรรมวิธีทรมัมมี่ศพไว้ได้ดีกว่าในรอบวิวัฒนาการของพวกเราคือสามารถจะเก็บรักษาเนื้อหนังไวไ้ได้ใกล้เคียงกับสมัยที่ยังเคยมีชีวิตอยู่โดยไม่มีการผูกกรอนและไม่มีธรรมชาติใดมาทาลายได้กลัวดู้ดีเถอะเราจะไม่เห็นรอยพวกแมลงใดกัดแทะซากนี้ได้เลยแห้งเกราะ แข็งแกร่งรัดเนื้อรัดกระดูกไปหมดยังกระชุบไปด้วยยางไม้ที่มีประสิทธิภาพพิเศษหรือกรร ม, มวิธีทางเคมีที่พวกเรายังเรียนรู้ไปไม่ถึงผมคิดว่าถ้าเราสามารถนำส่งซากนี้เข้าตรวจสอบตามหลักของชาโคลเทสผลอาจจะบอกได้ว่าสภาพของมันได้กลายเป็นภาตอะไรไปแล้วดีไม่ดีผลก็อาจจะ ออกมาว่ากลายเป็นฐานหินไปแล้วก็ได้ทั้งหมดมองตากันปริบ ป, ปริคอแข็งไปอีกคริสติน่าดึงมีดแล่เนื้อคมกริบของหล่อนออกมาจากเป้หลังแล้วทดลองเถือเฉือนลงไปบนบริเวณผิวกระด้างสีน้ำตาลตรงหน้าแข้งของซากในขณะที่ทุกคนเฝ้าจับดูอยู่ปรากฏว่ามีดที่คมปานมีดโกนของหล่อนเถือไม่เข้า หล่อนต้องการชำแหละผิวและเนื้อบางส่วนที่รัดอยู่เพื่อเปิดเข้าไปให้ถึงกระดูกแต่ก็มีสภาพไม่ผิดอะไรกับการพยายามเฉือนลงไปบนรากเง่าไม้ที่ฝังจมดิ่งอยู่เป็นเวลานานบุญคำเห็นข้าวก็หัวเราะดึงมีดดาบเดินป่าที่ขัดหลังหยวกมาแล้วบอกว่าแมมคริสอย่าไปเฉือนมาในสี่เวลาเลยไม่เข้ารอก ดูบุญคําฟันด้วยดาบดีกว่ารับร้องเลยเด้งผึงอย่างกับฟันยางรถยนต์ันแหละว่าแล้วแกก็ลุกขึ้นควงด้ามดาบเดิน่าไว้ทั้งสองมือเงื้อง่าขึ้นทั้งเบลและรพินที่นั่งคุกเข่าอยู่ทางด้านศีษะศพรีบผุดลุกขึ้นยืนถอยห่างออกมาทันทีดาฟรันเท้าแยกเขี่ยวกะไม้ไปที่ก้านคอนั้น แล้วกระนาฟันฉับลงไปสุดแรงเกิดจริงอย่างว่าแรงคนกับแค่คมดาบเดินปา่าไม่ได้ทำให้คอของซาเกิดรอยอะไรมากไปกว่ารอยคมมีดที่กินผิวเข้าไปแค่ไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรแล้วดาบนั้นก็กระดอนออกมาทั้งทั้งที่มันน่าจะขาดกระเด็นหลุดจากบาทเท่านั้นยังไม่พอ บุญคำเอาทางแหลมของดาบจ้วงแทงลงไปกลาง อ, อกมันก็กระแทกดังกึกแล้วกระเด้งออกมาอีกไม่ได้ทะลุเข้าไปเลยนอกจากมีรอยเหมือนถูกกิ้มเท่านั้นเมื่อหนังของซากเท่าที่หุ้มกระดูกอยู่มีสภาพไม่ผิดอะไรกับกรอบแบบเดียวกับหนังช้างที่ทะลุกออกมาตากแดดไว้ให้แห้งทุกคนยกเว้นรพินครางฮือในลาคอ เสียงเชิดวุดหลุดปากมาว่าตายฮะยิ่งกว่ายางรถแค็กเตอร์สิไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะลุกขึ้นมาเดินหรือเคลื่อนไหวได้ไอต้ตที่เข้าไปอาราว่าที่แคมป์เราเมื่อคืนนี่ก็คงจะมีสภาพของเนื้อหนังมังสายอย่างนี้แหละมันถึงได้หักคอลูกหากเราสองคนได้สบายแล้วคริสก็ยิงเข้าถูกกลางอกถึงไม่สะทกสะเทือนอะไรเลยเฮ้ตายเถอะที่จ า, ากมันเิดกระดูกกระดิกขึ้นมาเดี๋ยนี้ คงได้วิ่งกันป่าราบแล้วบพินหัวเราะออกมาเบาๆพูดทั้งยังข้าบุรี่ปล่อยก้นให้ยาวเฟื้ยคาปากอยู่เช่นนั้นก็เราจะวิ่งกันทำไมให้โง่ล่ะครับผมนภาวนาอยู่ขณะ น, นี้ว่าขอให้มันกระดุกกระดิกที่แสดงอาการเคลื่อนไหวในขณะ น, นี้ต่อหน้าผมเดี๋ยวนี้เหอะแต่ก็เฉื่อยอเหมือนกัน ว่ามันจะกระดุกกระดิกต่อหน้าเราซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้ให้งโง่ทำไมเหมือนกันปล่อยให้เรามายืนงงจ้องซาาของมันขนลุกขนชันเล่นอย่างนี้แหละเป็นการทำลายขวัญกันได้มากกว่านี่คุณแน่ใจเหรอรพินว่าขณะที่คุณยิงถูกข า, าพับมันน่ะมันกำลังเดินอยู่ไม่ใช่ว่าคุณมาพบมันนอนนิ่งๆอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ลูกปืนยัดเข้าดีหลังเสียงคีดถามมายอย่างแผ่วเบา ลักษณะเป็นคําถามอย่างหวานสยองมากกว่าจะไล่เลียงเพราะความไม่เชื่อถือก็คงจะเหมือนเหมือนกับที่ผมน่าจะถามพวกคุณนั่นแหละครับว่าเมื่อคืนเนี่ยเห็นไอ้มอนสเตอร์ตัวหนึง่งเข้ามายืนอยู่หลังกระโจมพักจริงหรือไม่แล้วคริสได้ยิงกระสุนออกไปสามนัดนนะ่ะยิงเพราะตาฝาหรือเปล่าสําหรับผมนะั้นไม่ใช่มาเห็นกันตรงดงทึบนี่แล้วผมถึงยิง แต่ผมเดินตามมันลงมาจากเนินชนิดเห็นหลังกันไวๆใช้เวลาตามไม่ต่ำกว่าสิบนาทีแล้วที่ยิงก็เพราะเห็นแล้วว่าขืนตามมันก็จะนำเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่จึงจำเป็นต้องหยุดมันไว้สะก่อนเพื่อ ย, ยึดซากนี้เป็นหลักฐานให้พวกท่านได้เห็นกัน ช, ะชะัดๆคงไม่โกรธนะไอ้ที่ผมถามไปตะกี้เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าผมไม่ยื้อคุณ แต่มันขนลุกขนพองไปหมดแล้วล่ะคุณนายคีตบอกไอ่อออทำหน้าพิกลระผินยิ้มให้ครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณและพวกคุณทุกคนในขณะนี้ครับอ่ะเป็นนันว่าขณะนี้เรายึดมันไว้ได้ตัวนึ่งลนะไม่ว่ามันจะมีสักกี่ตัวสำหรับไอสิ่งประหลาดหน้าขนลุกนี่หัวหน้าคณะกล่าว คราว น, นี้ก็มาถึงปัญหาบทกะโหลกอย่างเดิมะว่าขณะที่มันเคลื่อนไหวนะ่ะมันเคลื่อนไหวด้วยอํานาจของอะไรก็อย่างที่ผมได้บอกพวกท่านขณะที่เราวิเคราะห์กันถึงให้ตัวที่เข้ามาอารวาสในไทเมื่อคืนนี้คือถ้าจะพูดกันในแง่วิทยาศาสตร์มันก็เคลื่อนไหวและทําการทุกอย่างในนักษณะของหุ่นยนต์ที่ถูกบังคับด้วยคลื่นของวิทยุ แต่ถ้าจะพูดถึงอำนาจของจิตศาสตร์หรือวิญญาณศาสตร์มันก็ถูกบังคับด้วยคลื่นของกระแสะจิตที่มีพลังงานสูงมากแล้วคลื่นของกระแสะจิตนี้สามารถจะสั่งการไปยังซากลักษณะเดียวกันตัวใดตัวหนึ่งก็ย่อมได้หรืออาจจะสั่งการไปพร้อมๆกันให้ทํางานมากกว่าหนึ่งตัวก็ย่อมได้ผมตอบได้แค่นี้ครับคริสติน่าลุกขึ้นยืน ถามด้วยเสียงที่ดังได้ยินไปทั่วกันหมดทุกคนที่ยืนมุงซากกันอยู่แลใครเป็นเจ้าของกระแสจิตที่บงการมายังซากนี้หรือซากของไอ้ตัวเมื่อคืนนี้ล่ะแล้วทำไมถึงต้องเลือกใช้กับไอ้ซากผีตายคัมมัมมี่คำนวณอายุไม่ได้ประเภทนี้ด้วยครับนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นคว้าต่อไปครับ ระพินตอบสั้นๆเออแล้วเราจะดำเนินการยังไงต่อไปละเนี่ยเกี่ยวไกสซากอุาบาทที่น่าเกลียดน่ากลัวนี่หัวหน้าคณะถามความเห็นเขาระพินอมยิ้มคลายความตึงเครียดของทุกคนลงด้วยคำพูดว่าเอางี้ไหมครับพวกท่านทุกคนก็ล้วนแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องมือสื่อสารและหน่วยเนื้ คือสถานีลอยฟ้าที่ควบคุมการเดินทางของเราก็ยังสามารถติดต่อกันได้ผมว่าให้นนคณิดวิทยุต่อนหน่วยที่ควบคุมงานของเราส่งคัปเปอร์มาที่นี่แล้วเราก็เขียนรายงานความจริงทั้งหมดที่เรารู้เห็นแนบติดไปกระซ่าโดยเขานำซากนี่กลับไปพิสูจน์ค้นคว้ากันเองที่กองบรรชาการของพวกคุณเพื่อเราจะได้ความจริงบ้างว่ามันคืออะไร คงไม่ยากอะไรนักนะครับแค่ให้ส่งคอปเตอร์มาแล้วเราก็ส่งซากนี่ขึ้นไปให้เท่านั้นคิดขยี้จมูกบ่นอะไรพึพมพำแต่อดหัวเราะไม่ได้คริสติน่าหรือเบนคนใดคนหนึ่งอุทานออกมาว่าติ u พิดส่วนด็อเตอร์สแตนลีย์หัวเราะโโโคุณมีอารมณ์ขันดียังแมน แต่ผมเกรงว่าถ้าเราติดต่อส่งข่าวเรื่องนี้ขึ้นไปยังหน่วยเหนือเขาจะก๊อดแดนเราลงมาและเห็นว่าพวกเราสี่คนนี้เสียสติกันไปหมดแล้วเรื่องอะไรก็ตามที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ขอให้คุณทราบเถอะว่าเราจะไม่ส่งข่าวให้พวกนั้นรู้เลยเป็นอันขาดนะละผมอยากขอความเห็นน่ะว่าเราจะจัดการกระซ่าของมันยังไงดีในเมื่อจับได้คาหนังคาเขาอย่างเงี้ย ผมอยากจะทำลายมันทิ้งซะให้มันหมดสภาพชนิดที่ไม่มีพลังอำนาจลึกลับอะไรส่งเข้ามาบงการใช้งานมันได้อีกเลยอะ่ะความจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ผมคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องคิดหาทางทำลายซากนี่เสียเวลาอะไรคิดซะว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้แล้วเพราะกระสุนเพียงสองนัดก็ทาให้กระดูกสบ้าหัวเข่าของมันเละ แล้วมันก็ไม่สามารถจะเดินได้อีกลวต่อให้มีพลังงานของกระแสจิตหรืมอมนมืดใดๆมาสิงสู่มันอีกมันก็จะใช้ประโยชน์อันใดไม่ได้ทิ้งมันไว้เงียครับนี่เป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเผาทำลายมันซะให้เป็นขี้เถ้าไปเลยเบลถามขึ้นบ้างอย่างไม่สู้สบายใจนะผมว่าถ้าเจตนาจะเผากันจริงๆ ผมก็คิดว่าบุญคำพอจะทำได้ครับแต่บอกแล้วนะครับว่าเสียเวลาเปล่าต้องก่อฟืนก่อไฟและเฝ้าดูมันจนกว่าจะกลายเป็นเท่าและพวกลูกหาบของเราขณะนี้ก็แยกทางเดินล่วงหน้าไปแล้วเราก็คงไม่มีเวลาพอที่จะมาเสียอยู่กับไอซ้ซากที่ใช้ประโยชน์ตัวนี้ไม่ได้ละถ้ามันยังสามารถใช้งานอยู่ได้อีกตามวัตถุประสงค์ร้ายของมัน มันก็คงไม่ทิ้งซากให้เราพบเป็นหลักฐานอย่างนี้หรอกครับอ๋อไหนๆก็เสียเวลากันมาถึงที่นี่แล้วผมก็อยากจะให้พวกท่านทุกคนได้เห็นอะไรมากกว่านี้อีกเพื่อประกอบความคิดและช่วยกันพิจารณาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่อไปตามผมมาทางนี้อีกครัครบกล่าวจบรพินบกมือกับทุกคน แล้วออกเดินนำไปตามทางด่านเล็กๆนั้นช้าๆโดยมีทั้งหมดตามกระชั้นชิดมาเป็นพรวนห่างจากตำแหน่งที่ซากไอ้ผีดิบนอนเหยียดยาวอยู่กลางทางด่านเพียงไม่เกิน20เมตรนั้นและพินนำทุกคนเลี้ยวซ้ายมือเมื่อมาถึงบริเวณโคนต้นศักขนาดใหญ่มีเนินปลวกสูงท่วมศีรษะ อุดมไปด้วยซุ้มคอยขึ้นปกคลุมอยู่แล้วก็เอาปลายไรยเฟิลในมือชี้ให้ดูไปยังบริเวณโคนปลวกที่เลี้ยวเข้ามาพบกันอย่างกระทันหันนะั้นทุกคนยืนนิ่งเป็นหินกันไปอีกครั้งจ้องขม็งลำคอดูเหมือนจะแห้งแตกไปหมดนี่เป็นการเล่นกลกันอย่างมโหฬารทีเดียวดอเตอร์สแตนลีย์ร้องมาดั ง, ดง ผมไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่ประสาทที่หกบอกว่าศัตรูลึกลับของเรากำลังวางแผนเตรียมเล่นงานเราอยู่เต็มที่สิ่งที่ทุกคนเห็นสภาพมันก็ใกล้เคียงกับไอ้ซากที่กริ้งโครโลอยู่กลางทางด่านที่ต่างเพิ่งเดินผละมาหยกๆยนี่เองถ้าจะผิดกันไปบ้างก็แต่เพียงร่างนี้ผอมเพียวข้าวหน้าที่เป็นเพียงหนังวุ้งกระดูกนั้น แลดูดุดันเยี่ยมเกรียมกว่าไอ้ตัวเมื่อครู่นี้มากเครื่องแต่งกายของซากมีเครื่องประดับมากกว่าลักษณะเหมือนจะเป็นข้าราชบริพารชั้นสูงในราชสำนักสำนักของกษัตริย์ยุคใดคงมืดมนเป็นปริศนาอยู่เหมือนเดิมยกเว้นแต่ละพินกบุญคําเท่านั้นที่ประหนักได้ทันทีว่ามันควรจะมาจากที่ไหนซากนั้น นั่งเหยียดขายาวแขนทั้งสองวางอยู่บนเขา่าหลังพิงจอมปลวกริมฝีปากหน้าเกลียดเปิดเผยเยอเล็กน้อยเห็นฟันอันเป็นกระดูกสีคล้ำแข็งทื่อก่งโกระหว่างที่พวกผู้ชายยังยืนจ้องนิ่งสองสาวปราดเข้าไปสำรวจทันทีเพราะมีความชำนาญในเรื่อง้างโบราณมากกว่าแล้วทั้งคู่ก็บอกกับทุกคนในคณะว่า สภาพเดียวกันไม่มีผิดเป็นซากโบราณที่หลุดออกมาจากหิงย้อยซึ่งงอกออกเคลือบร่างกายบางส่วนไว้โปรดูให้แน่อีกครั้งนะว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือคนละตัวกับที่เข้าไปเยี่ยมเราในแค้มเมื่อคืนพ่านใหญ่ถามเสียงต่ําำยำความเห็นโน no. ไม่ใช่อีตัวเมื่อคืนนี่มันเป็นคนละตัวกัน คริสติน่าตอบโดยเร็วอย่างมั่นใจอ่าวทางนั้นก็แปลว่าสามตัวแล้วนะครับที่พวกเราเห็นไอ้ตัวแรกเข้าไปหักคอลูกคาบของเราตัวที่สองก็คือที่ผมยิงกระดูกเข่าแหลกแล้วไอ้ที่นอนอยู่นี่เป็นตัวที่สามนั่งยิ้มรอรับหน้าพวกคุณอยู่อาจไม่ได้เจตนาที่จะให้ผมหรือพวกคุณได้เห็นหรอก แต่บางเอินว่าภายหลังจากที่ผมยิงไอตัวโน้นเค้กแกลงไปแล้วก็พยายามออกสำรวจไปรอบๆก็ได้มาเห็นนี่ตัวนึ่งนั่งนิ่งอยู่ตรงเนี้ยท่าทางเขาก็สมาร์ทไม่ใช่เล่นทีเดียวแหละลักษณะน่าจะเป็นท่านหลอดหรือท่านเขาอะไรทํานองนี้แต่คงไม่ใช่จากราชสำนักของอังกฤษนะครับไม่มีใครสามารถจะเกิดอารมณ์ขันได้อย่างเขาเลือดในกายของแต่ละคนแทบจะจับเป็นก้อนแข็ง ทีสนะ่ะทำเสียงคลืดคราดในลำคอเชิดบุษเอามือตะปบพระเครื่องที่แขวนคออยู่โดยไม่ได้ตั้งใจคริสกเบนนั้นมีอาการแสดงชัดอกสันขวัญแข ว, น, ขวนวุ่นวายใจเหลือขนาดแต่หัวหน้าคณะพิเคราะห์ลึกหายแล้วนายมันยกขยงกันออมาทั้งกลุกเลยแ yeah, ย่ย้ายกันมันดักเราอยู่ตามที่ต่งตางๆทุบที่หมด ตัวนั่นลุกไอ้ตัวนี้นั่งสุดแต่ว่ามันจะเข้าสิงร่างไหนเหมือนเหมือนกับเดินตัวในกระดานหมาลุกไม่มีผิดเลยตาเท้าบุญคําอุบอิบออกมากระพินไม่สนใจอะไรกับคําพูดของสมุนมือขวาของเขาแต่สํารวจไปยังสีหน้าที่ปั้นยากของฝ่ายนายจ้างทั้งสี่คนซึ่งเหงื่อซึมเต็มหน้าผากเชิดวุฒิกวาดสายตาไปตามพื้นรอบๆที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้ง และสะกิดคิดกับสแตลีให้ดูไปยังรอยตีนงขนาดใหญ่ที่ย่ำเป็นทางมาจากพงรกด้านขวามือแล้วก็มาสิ้นสุดเอาตรงตำแหน่งที่มันนั่งอยู่มองเห็นได้ชัดเจนคิดทันต่ออาการบอกบ้านั้นซึกตัวลงสำรวจอย่างฝ่าเท้าของซากนั้นทันทีมันเดินมารอยของฝุ่นละอองและเศษดินบนใบไม้ ยังติดอยู่ที่ฝ่าเท้าของมันนี่ชัดเลยพวกนั้นพลูกันเข้าไปตรวจดูตรงฝ่าเท้าของซากทันทีแล้วก็ครางกันแซดระพิงยิ้มออกมานิดนึงอย่างพอใจอเมริกันกลุ่มนี้เริ่มจะรอบคอบคุ้นเคยกับการตรวจสอบภาวะสิ่งแวดล้อมในป่าขึ้นบ้างแล้วอืดใจต่อมาสแตนลีก็เงยมองเขาตาสีฟ้าเบิกโพงนิรพิน พวกผมเข้าใจผิดไปหรือเปล่าเนี่ยจากร่องรอยเหล่านี้แสดงชัดว่าไอ้ตัวนี้เดินมาด้วยขาทั้งสองข้างของมันแล้วก็มายึดตำแหน่งนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนจะรอคอยคำสั่งอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อเคลื่อนไหวปฏิบัติการต่อไปดีครับถ้าพวกท่านสามารถอ่านรหัสออกได้เช่นนั้นก็ดีแ ล, ล้วครับผมจะได้ไม่ต้องอธิบายอะไรมาก นานสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยจากร่องรอยที่เห็นอยู่น่ะผู้ถามคือคริสติน่าซิ่งในภาวะเช่นนี้สามารถระงับสติอารมณ์ได้ดีกว่าเบลมากนะักสสำหรับแม่ผมแดงนะ่ะสั่นเทิมไปหมดแล้วหน้าซีดเหลือสองนิ้วมีอาการเหมือนจะเป็นลมทั้งๆที่เป็นหมอด้วยตัวเองก็ประมาณสักสีห้าชั่วโมงมาแล้วละครสังเกตจากรอยเท้าที่ย่าพื้นใบไม้แห้งไว้นะ่ะ มันมีอยู่สักกี่ตัวกันเนี่ยที่มันแหกันมาเตรียมเด่นงานเราอยู่แบบนี้คิดพูดพร้อมสบทสวรรค์คงไม่รู้หรอกครับแต่นรกรู้ดีครับส่วนสําหรับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็โปรดอย่าถามผมอีกด้วยว่ามันจะลุกขึ้นมาเดินอีกเมื่อไหร่เพราะตรงนี้ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันคนดูไอ้ทั่วๆบริเวณนี้หมดแล้วอย่าง อาจจะมีพวกมันมากกว่านี้ก็ได้นี่สตลลีกวาดตาสีฟ้าไปรอบด้านอันรกทึกคิดว่าในละแวกนี้น่าจะมีแค่สองตัวเนี่ยแหละครับเราไม่มีเวลาที่จะไปค้นหาซากเหล่านี้ได้และผมไม่ขอแนะนำในสิ่งไรประโยชน์สีเวลาครับนี่คุณก่อนที่คุณจะเข้ามาพบมั น, นมานั่งอยู่ในลักษณะนี้เห็นมันกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวใดๆบ้างไหม เชิดพุธกระซิบถามเกือบจะไม่มีเสียงรปินสั่นศีสษะไม่ครับอีตอนผมเดินมาก็พบมันนั่งแงะแก่ตรงนี้เฉยๆเหมือนท่อนไม้ไม่ได้ขยับขยื่นเลยและก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆจนสิ้นครับผมพอจะเดาออกเลยนะว่าพวกมันออกกันมาจากไหนพระบุญคำเล่าผมฟังเกี่ยวกับเมืองอาถันที่ชื่อนิทรานคร ที่พวกคุณเคยเผชิญกันมาก่อนแล้วนายทหารหนุ่มกระซิบพูดกับเขาต่อไปโดยฉวยโอกาสขณะที่ฝ่ายมริกันมวัวแต่จ้องสนใจอยู่ที่ซากนั้นจุดเดียวพผานใหญ่รอบสะกิดหลังมือเชิดบุตรเชิงเตือนไม่ให้เอ่ยอะไรมากไปกว่านั้นแล้วก็กระซิบต่อค่อยหาโอกาสคุยกันสองต่อสองดีกว่าครับคุณบุตรคิดเดินบนตรวจดูซากนั้นไปรอบๆ แล้วใช้ส้นผ่านท้ายไรเฟิลกระทุงโครมเข้าไปที่ไหลด้านซ้ายของมันไอ้ซากหมื่นปีก็เอียงล้มตะแคงจากท่าที่นั่งพิงจอมปลวกไปทางด้านขวาเหมือนตุ๊ ก, กตาลม้มโดยมีทรงรูปร่างแข็งทื่อในลักษณะท่านั่งอยู่เช่นนั้นว่ายัางไงพวกเรานายนั้นพูดดังๆเชิงขอความเห็นไปยังพักพวกทุกคน เอาลูกปืนแยกกระโหลกมันออกไปซะดีไหมรับรองกระสุนไรเฟิลสองสามนัดเท่านั้นถ้ายิงปัดเข้าบริเวณกระดูกก้านคอหัวก็จะหลุดออกจากร่างนี่ฉันไม่ทอบที่จะไปพบเห็นไอ้ซากหมื่นปีตัวนี้อีกครั้งเดินเข้ามาหาเราโดยไม่มีหัวแต่ยังมีกระดูกแขนกระดูกขาพอที่จะเล่นงานเราได้นะคริสติน่าว่า ทัางนั้นก็จัดการตามแบบที่รพินคว่มไอโนนไปแล้วยิงทำลายกระดูกแขนขาของมันซะไม่ให้มันใช้ประโยชน์จากซากนี่ได้อีกพร้อมกับพูดคิดขยับลูกเลื่อนของไรเฟิลในมือแล้วก็บกมือไล่พักพวกที่ยืนอยู่ในทิศทางที่หัวกระสุนอาจแฉล็ไปถูกให้หลีกทางออกไปแต่หัวหน้าคณะเนียวไหลไว้ซะก่อนอยเพิ่ง ฉันคิดว่าเราไม่น่าจะเปลืองกระสุนไปเ ป, ปล่าๆอย่างน้อยก็สี่หนัดและอีกอย่างหนึง่งเสียงปืนก็จะดังไปถึงพวกลูกหาดที่เดินแยกจากเราไปในขณะนี้พวกนั้นคงได้ยินเสียงปืนของเราพินก่อนแล้วพอมาได้ยินอีกก็จะเกิดตกอ ก, อกตกใจภาวะผว า, วาตัดสินใจไม่ถูกแล้วก็เดาไม่ได้ว่าทางเรามีอะไรเกิดขึ้นนั่นเป็นความรอบคอบอย่างยิ่งของด็อกเตอร์สแตนลีย์ ซึ่งตรงกับความรู้สึกของระพินแล้วเราจะจัดการกับไอ้ซากนี่ยังไงล่ะอาจารย์เบนถามขึ้นหัวหน้าคณะมองไปทางระพินมือลูกอยู่ที่ปลายคางนิ่งไปเหมือนจะรอฟังเขาพูดเอางี้ไหมครับเราถือโอกาสที่พบซากมานั่งนิ่งอยู่แบบนี้มาพิสูรอะไรกันสักอย่าง จะมักคุเทศกล่าวช้าๆพิสูจรายละคุณเกือบทุกคนถามเสียงเดียวกันมองที่เขาขม็งก็พิสูจน์ว่าเมื่อเราเดินผ่าจากมันไปแล้วมันจะสามารถลุกมาเดินเคลื่อนไหวได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นซากที่สนิทนิ่งอยู่อย่างนี้ตลอดการทุกคนตาเป็นประกายขึ้นอย่างกระตือรือร้นเห็นด้วย เออแล้วจะพิสูจน์ด้วยวิธีไหนล่ะรปินสแตนลีถามโดยเร็ววางกลับระเบิดครับเขาตอบสั้นที่สุดก็เข้าทีอยู่นะคุณแต่ตอนนี้คุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าพวกไดานาไมค์ของเราติดไปกั่หีบห่อสัมภาระที่พวกลูกหาบนำแยกทางไปก่อนแล้วจะเป็นการเสียเวลาอย่างยิ่งนะที่เราจะเดินไปพบกับขบวนลูกหาบ และเอาไดนัไม้ย้อนกลับมาที่นี่คิดว่าไม่จำเป็นถึงก็ต้องเป็นระเบิดแบบไดนามไม้หรอกครับเอาแต่ระเบิดที่ผมสังเกตเห็นพวกคุณโดยเฉพาะมิสกรูบินมีติดตัวอยู่เสมอก็พอแล้วครับเราจะวางดักมันไว้ในลักษณะบ u บิดแตแต่ผมต้องการระเบิดมือแบบ MK2 ซึ่งเป็นระเบิดมือใช้ทำลายที่มั่น หรือเครื่องกีดขวางไม่ต้องการแบบลูกเกลียงชนิดเอ6ยี่สิบหกเพราะเ2 6ยี่สิบหกให้ผลน้อยเกินไปในด้านทำลายซาบลําพังสะเก็ดชิ้นเล็กๆที่จะกระจายเข้าฝังอยู่ตามร่างกายของมันไม่ให้ประโยชน์อะไรนะักผมต้องการระเบิดชนิดที่สามารถแยกทำลายชิ้นส่วนในร่างกายของมันให้แหลกเหลียวย่อยยับได้ใครมีติดตัวอยู่บ้างไหมครับขนาะ น, นี้ อเมริกันทั้งสี่มองหน้ากันเองไปมาคริสติน่าพูดเบาๆออกมาแต่เพียงว่าฉันมีแต่เฉพาะ M26 อยู่เพียงแค่สองลูกเท่านั้นล่ะคุณไอแบบ M.K. ทูมไม่มีอะนายคิดกับสเตลลีก็ยืนกับพริบตาปริดปริแสดงว่าไม่ได้มีระเบิดที่ระพินต้องการเลยเบ น, นไม่ต้องพูดถึงเราไม่มีเครื่องมือประหัดประหารอะไร มากไปกว่าปืนพกสั้นติดเอลและเอ็มสิประจำตัวเท่านั้นและยังไม่มีใครคาดฝันมาก่อนทั้งสิ่งเชิดวุดล่วงมือลงไปในย่ามหลังของเขาค่อยๆหยิบระเบิดมือแบบน้อยนาอันเป็นระเบิดมือรุ่นเก่าออกมายื่นส่งให้รพินหน้าตาเฉย อ, อเมริกันทั้งสี่มองเห็นเข้าก็ครางอู้ออกมาพร้อมกันเพราะคาดคิดไปไม่ถึงเช่นกัน รับินเองก็มีสีหน้างงๆกับฟิลตามองเชิดบุตรผู้ยังวางหน้าตายอยู่เช่นนั้นมันบังเอนะิญน่ะบุตรชายท่านนายพลที่ติดมากับคณะด้วยบอก อ, อมแมอมอมแอมเหมือนจะเป็นการออกตัวกับทุกคนบางเอิญว่าติดอยู่ในย่ามหลังผมลูกนะึงคริสติน่าจุปากเบาๆนี่บุธ คุณไม่ได้แสดงไว้ในรายการวัตถุสิ่งของที่พวกเรานํำติดตัวมาใะครั้งนี้ด้วยเลยนะสําหรับระเบิดมือแบบนี้นะเพราะเราไม่รู้นะว่าคุณมีมาด้วยเชิดบุษยักไหลยิ้มเจนเจือนก็เหมือนพวกคุณนั่นแหละรายการทุกสิ่งทุกอย่างที่นํามาในครั้งนี้ยคงไม่ได้แจ้งไว้พวกเราทั้งหมดคือฝ่ายผมและรพินได้รู้ทุกอย่างไปไม่ว่ามีอะไรบ้าง โดยรวมอยู่ในเครื่องมือทางเทคนิคของพวกคุณมันอาจมีเครื่องอุปกรณ์ในทางยุทธภัณฑ์ที่ฝ่ายผมไม่รู้มาก่อนแฝงซ่อนมาด้วยก็ได้ทำไมต่เพียงแค่ระเบิดมือแบบโบราณที่ผมมีติดตัวมาด้วยแต่ไม่ได้แสดงบอกไว้ในรายการไม่เห็นน่าจะต้องมาจ้องจับผิดอะไรกันผมมีไว้สำหรับสกัดฝูงสัตว์ป่าที่อาจจะพุ่งเข้าโจมตีพวกเราเป็นจานวนมากๆอย่างเช่น ช้างโขลงหรือฝูงหมาป่าจำนวนพันพันตัวซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้และระเบิดแบบนี้มันน่าจะได้ผลมากกว่าระเบิดแบบสังหารที่พวกคุณมีติดตัวมาตอนนี้พวกคุณก็มองเห็นประโยชน์แล้วไงเมรัพินต้องการขึ้นมาโดยที่พวกคุณไม่มีให้เขาดีละดีละที่มีระเบิดมือแบบนี้ติดมาด้วยหัวหน้าคณะกล่าวเหมือนจะไม่ติดใจอะไรนะัก ว่าแต่คุณมีมาด้วยกี่ลูกอ่ะก็คงไม่เกินเจ็ดแปดลูกแล้วมั้งผมใส่หีบบรรจุรวมอยู่ในเครื่องกระสุนของพวกเราในสัมปะส่วนตางที่พวกลูกหาแบกไานั่นแหละแต่ที่ติดย่ามนี่ก็มีแค่ ล, ลูกเดียวบอกกันให้หายกังขาไปซะเลยไม่ได้มีไว้เพื่อเจตนาจะโยนใส่พวกคุณหรอกอย่าระแวงไปนักเลยเรามาทำงานร่วมกันร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันไม่ใช่มาเป็นศัตรู ไม่ใช่เหรอไม่มีใครแสดงอาการเช่นใดอีกหรือวิฉะนั้นก็อาจจะเก็บความไม่พอใจไว้อย่างมิชิดโดยหันมามุ่งแต่เรื่องเฉพาะหน้าก่อนกระพินซ่อนแววยินดีไว้ภายใต้สีหน้ากระด้างปกติของเขารู้สึกพอใจไม่น้อยที่พิสูจน์ออกมาได้ว่าลูกชายของท่านนายพลที่ร่วมทางมากับเขาด้วยไม่ยอมทิ้งลายของชายชาติทหารไทย มีเหลี่ยมคูพอตัวไม่ยอมเสียเปรียบฝ่ายสายลับของอเมริกันเกินไปนะเขารับระเบิดมือลูกนั่นมาต่ำไว้เอาละครับเราจะดำเนินการกันเดี๋ยวนี้เลยวิธีการของเราก็จะทำกันอย่างง่ายๆเหมือนอย่างที่พวกคุณก็รู้กันดีมาแล้วคือเราจะซากนี้ขึ้นมานั่งในลักษณะเดิมของมันโดยถอดสลักนิรภัยของเอมูลูกนี้ออก ใช้ร่างกายและน้ำหนักตัวของมันเองทับกระเดืองชนวนของระเบิดลูกนี้ไว้ถ้ามันยังนั่งนิ่งตลอดไประเบิดก็จะไม่แสดงผลอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้ามันขยับลุกขึ้นมาเมื่อไหร่กระเดืองก็จะดีดสับชนวนและไอ้เน้อหนาลูกนี้ก็จะตูมขึ้นอนุภาพทำลายของมันเชื่อว่าร่างของซากนี้ต่อให้แข็งแกร่งสักขนาดไหน ก็คงจะแยกก็เป็นชิ้นๆกระดูกระเดี่ยวจะแหลกเหลวหมดแล้วเราก็อาจจะได้ยินเสียงระเบิดนี้ด้วยถ้าเรายังไปกันไม่ห่างเกินไปนักก็จะให้ผลที่เราต้องการสองประการพร้อมกันอย่างแรกก็คือพิสูจน์ให้รู้ชัดว่าพเพราะปลาห่างไปแล้วนะมันจะเคลื่อนไหวได้ไหมอย่างที่สองก็คือถ้ามันเกิดเคลื่อนไหวได้ร่างของมันก็จะพังพินาศใช้การไม่ได้อีก ไม่ต้องใช้กระสุนปืนทำลายโครงกระดูกมันให้เปลืองเล่าและเอือกกระเลิกไปโดยใช่ที่เพราะตอนนี้มันก็เป็นซ่าแข็งอยู่เฉยๆยังไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเป็นความคิดที่ดีมากนี่ระพินหัวหน้าคณะตบไหล่เขาเบาๆว่าแต่ใครจะเป็นคนพยุงร่างของมันขึ้นนั่งในท่าเดิมแล้วใครจะเป็นคนถอดสลักแล้ววางระเบิดไว้ใต้ตัวมัน เพราะจะต้องทำงานอย่างประสานสอดคล้องกันให้ดีที่สุดถ้าวางผิดตำแหน่งหรือพลาดกระเดืองดีดออกซะก่อนพวกเราทั้งหมดจะยุ่งคงเละ ก, กันไปซะก่อนทั้งเจ็ดคนนี่แหละพรานใหญ่ชูระเบิดไปทางคิดเพื่อความสบายใจของพวกคุณอคิดคุณเป็นคนถอดสลักแล้วคอยสอดระเบิดลูกนี้เข้าไป ใต้ก้นของซาดนี้ผมกับบุญคมจะพยุงซาดของมันให้ขึ้นมานั่งทับเองคิดบกมือผมหรือคุณก็เหมือนกันนั่นแหละระพินพวกเราไว้วางใจฝีมือคุณเต็มที่นะคุณเป็นคนวางระเบิดก็แล้วกันผมกับบุญคาจะยกซาดมันขึ้นเองระหว่างที่ผมกับบุญคำยกซากของมันขึ้นคุณก็หาตาแหน่งวางระเบิดให้ดีที่สุด ชนิดที่ให้ซากของมันทับไว้ได้อย่างมั่นคงไม่ใช่ว่าพอซากพอวางระเบิดเสร็จตั้งซากเสร็จซากมันก็ล้มตะแคงลงอีตอนนี้แหละคุณเราจะกลายเป็นหมูสับกันไปหมดก่อนมันสิจอมพลันยิ้มนิดนึงมันก็ต้องเสียงกันหน่อยแล้วครับเพราะผมก็ยังไม่กล้ารับรองว่าซากของมันจะนั่งนิ่งอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า อาจล่มตะแคงลงไปก็ได้ทันทีที่เราวางระเบิดเสร็จเพราะฉะนั้นมีคนทำงานนี้ที่จำเป็นจะต้องเสี่ยงอยู่สามคนครับคือผมคือเนนคิดแล้วก็บุญคำผมอยากจะขอร้องให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับหาที่ปลอดภัยไว้ก่อนกระจายออกไปให้ห่างรัศมีประมาณสักสิบเมตรแล้วเข้าหลบหลังต้นไม้ใหญ่ๆ่ไว้ประโยกหลังเขาหันมาทางหัวหน้าคณะ เชิดบุตเบ์และคริสในคุณถ้าไม่เชื่อมือคุณในครั้งนี้นะก็เห็นจะไม่ต้องเชื่อในครั้งต่อไปอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นพวกเราจะยืนดูคุณทำงานอยู่ใกล้ๆแล้เอาเป็นว่าถ้าพลาดก็ตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครคิดที่จะหลบข้าหาที่กำบงังหรอกคุณสแตนลีตอบมาพร้อมกับหัวเราะเบา เชิดวุฒเองก็ยืนกอดอกดูเฉยๆส่วนเบียร์กับคริสติน่าเอาหมากฝรั่งออกมาแจกกันเคี้ยวเยบิบเยอบไม่มีอาการสะดุ้งสะเทือนหรือขวัญเสียอย่างใดทั้งสิน้น42เพื่อเป็นการทดสอบประสาทกระพินกระชากสลักนิรภัยของเอ2มเคทูลูกนั้นออกในทันทีอีกมือหนึ่งกำคร่อมทับกระเดืองไว้ ช่วยทุกคนเห็นในภาวะเช่นนี้ถ้ามันเกิดพลัดหลุดมือเขาหรือมีเหตุอันใดมาทำให้สปริงของกระเดื่องชนวนที่เตรียมจะดีตัวอยู่ตลอดเวลาสลัดหลุดผึงออกไปเมื่อไหร่ก็เพียงไม่เกินห้าวินาทีเท่านั้นมันก็จะตูมขึ้นแล้วต่อจากนั้นก็ไม่ต้องทำนายแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนทั้งเจ็ดคนในคณะ ทุกคนยืนนิ่งอยู่กับที่แสดงถึงประสาทอันมั่นคงและไว้วางใจเขาเต็มที่แม้แต่ผู้หญิงสาวสองคนผู้ยืนมองหน้าเขาเฉยคิดนั้นเมื่อเห็นระพินดึงสลักออกแล้วก็พยักหน้าเรียกบุญคำให้เข้ามาช่วยกันหิห้วประคองซากหมื่นปีของไอ้ผีดิบจากท่าที่ถูกส้นปืนกระทุ้งให้ล้มตะแคงไปเพื่อกลับคืนขึ้นมา อยู่ในลักษณะนั่งเหยียดขาตามเดิมน้ำหนักของมันไม่ใช่น้อยเลยทั้งสองช่วยกันผลักยันไว้โอเคราพินคุณหาที่เหมาะวางระเบิดเข้าไปใต้ตัวมันได้ทันทีนะผมกับบุญคำจะประคองซากมันไว้ก่อนถ้าเห็นว่าได้ที่แล้วก็บอกด้วยจะได้ปล่อยมือนายคิดร้องบอกมาระหว่างที่ผลักซากนั้นขึ้นชา้า จอมพลานสุดตัวลงนั่งใกล้ๆอีกด้านหนึ่งของซากซึ่งขณะนี้ได้ถูกผลักพยุงให้เอนขึ้นมาโดยมีก้นของซากทางด้านเขาสูงจากระดับพื้นประมาณหนึ่งฝ่ามือพอที่จะสอดระเบิดเข้าไปใต้ก้นของมันได้สุภาพบุรุษไพรซ่อนยิ้มเหลือบตาขึ้นดูสองสาวซึ่งยืนรวมกลุ่มอยู่กับหัวหน้าคณะและเชิดบุตรห่างจากเขาออกไปเพียงวาเดียว แกล้งถามขึ้นอีกครั้งผมกำลังจะสอดระเบิดเข้าไปอยู่เดี๋ยวนี้แล้วนะครับตัดสินใจให้ดีอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะยืนอยู่ที่นี่หรือจะหลบเข้าหาโคนไม้ใหญ่ไว้ก่อนในกรณีที่ผมพลาดแทนที่จะหวั่นไหวต่อคำพูดกึ่งขมขวัญกึ่งสับพยอกของเขาเรากันัดกันไว้ ทั้งแม่ผมทองและแม่ผมแดงก้าวเข้ามาซุดกายเคียงขนาดข้างเขาทั้งซ้ายและขวาทันทีอย่าคูสิคุณคริสติน่าพูดเสียงต่ำยิ้มนิดนิดที่มุมปากฉันรู้นะคุณเองก็ไม่อยากฆ่าตัวตายเหมือนกันและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่จะพิสูจน์ว่าพวกเราที่มาด้วยกันทั้งหมดนี่ถ้าอยู่เราจะอยู่ด้วยกัน แต่ถ้าจะถึงภัยพิบัติเมื่อไร่ก็จะวอดลงพร้อมๆกันเอาละ่ะสอดระเบิดเข้าไปได้เลยมิสเตอร์ฮันเตอร์เสียงของเบลสาบนหัวเราะ อ, อาการของทั้งสองสาวไม่ได้เกิดจากการเสียแซ่เพื่ออวดความกล้าหาญใดๆทั้งสิ้นแต่มันออกมาจากธรรมชาติแท้จริงของจิตใจแต่ละคนซึ่งมีธาตุของนักผจนภัยที่น่านับถือระพินเลิกคิวขึ้นข้างหนึ่ง เขาคิดไปไม่ถึงเหมือนกันว่าทั้งคริสติน่าและเบร์จะเด็ดเดียวเช่นนี้พวกคุณทั้งหมดนี่ใช้ได้ต่อไปนี้ก็ถึงไหนถึงกันล่ะครับเอาแล้วนะคิดประโยคหลังเขาหันไปร้องบอก GI ยศพันเอกที่กำลังดันซาตอยู่กับบุญคำตอนนี้ผมได้ตำแหน่งหมอหมอใต้ก้นมาแล้วละ่ะเป็นบริเวณแอ่งพอดี ผมจะวางระเบิดแล้วนะค่อยๆผลักซากมันขึ้นมาอย่าปล่อยมือนะจนกว่าผมจะบอกว่าโอเคคิดพยักหน้ารับตัวเองผลักประคองซากไว้ทางด้านสีสั์และไหลส่วนบุญคำดันไว้ทางด้านตะโพกของซากซึ่งมีสภาพไม่ผิดอะไรกับท่อนไม้ระพินเอาตัวระเบิดวางลงไปในร่องแอ่งเล็กๆ ใต้บริเวณที่ก้นของซากซึ่งถ้าผลักตรงขึ้นมาก็จะนั่งปิดทับไว้โดยวิธีเอาด้านกระเดืองขึ้นตำแหน่งนั้นเขาแน่ใจที่สุดว่าตัวระเบิดและกระเดืองจะถูกทับให้สนิทนิ่งอยู่ในลักษณะนั้นโดยไม่มีการกลิ้งหรือเคลื่อนไหวได้จนกว่าซากจะมีการขยับขยื่นบ่าก็ร้องสั่งให้คิดค่อยๆผลักซาก ให้เอ็นในแนวตั้งขึ้นทีละน้อยพอบริเวณก้นของมันแตะกับมือของเขาที่กำกระเดื่องไว้ก็ค่อยๆปลดมือออกโดยขยับร่นไปตามลำดับครั้งล่าสุดมีหัวแม่มือของตนเองกดไว้ที่ปลายกระเดื่องโอเคหลักตั้งตรงเลยเขาสั่ง ทั้งคิดและบุญคำนำซากนั้นขึ้นนั่งพิงจอมปลวกอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลาเดียวกับที่รพินก็ดึงหัวแม่มือที่แตะกดกระเดืองไว้เป็นครั้งสุดท้ายออกปล่อยให้น้ำหนักตัวของซากนั่งทับกระเดืองแทนพร้อมกันเขาก็ชักมือออกจากใต้ซากนั้นปัดมือทั้งสองไปมาในขณะที่ทุกคนซึ่งจ้องมองอยู่ตลอดเวลายกเว้นคิดกับบุญคนซึ่งอยู่ด้านหนึ่ง อากันถอนใจเฮือกออกมาอย่างโล่ง อ, อกหวังว่าระเบิดของคุณเชิดวุธคงจะไม่ด้านนะครับเขายืนขึ้นพูดยิ้มยิ้มรับรองครับว่าระเบิดของผมนะ่ะไม่ด้านแน่แต่ถ้าหากตอนที่มันจะลุกขึ้นหรือเคลื่อนไหวอย่างใดไอ้ผีหมื่นปีตัวนี้สอดมือเข้าไปกรำระเบิดและกระเดื่องไว้ก่อนแล้วตามหลังพวกเรา เอาระเบิดคว้างใส่แล้วก็ข้อนี้ผมไม่รับรองเหมือนกันนะคุณทุกคนอดไม่ได้ที่จะต้องหัวเราะในคำพูดของเชิดบุตรมันคงไม่รู้หรอกครับว่ามันนั่งทับอะไรไว้และวิญญาณร้ายใดๆก็ตามที่จะเข้ามาสิงสู่ร่างของมันตอนน่อให้มีอิทธิฤทธ์ร้ายสักแค่ไหนผมก็เชื่อว่าคงจะไม่ได้เรียนยุทธวิธีหรือศึกษาในเรื่องระเบิดมา ก, ก่อนเพราะฉะนั้น เอาหัวเป็นประกันได้ครับว่ามันคงทําไม่ได้อย่างที่คุณเชิดบุตว่าเราเราไปกันได้แล้วกระมกล่าวจบเขาก็เดินไปฉวยไรเฟินที่วางพิงไว้ตรงรากไม้ขึ้นมาขณะ น, นี้คีตกบุญคำก็เดินเข้ามารวมกลุ่มตลอดเวลาด็อกเตอร์สแตนลีไม่ได้ปรีปากพูดคำใดเลยเูายืนอยู่ตรงกับซากที่นั่งเหยียดขาพิงเนินปลวกอยู่นั้น และดูเหตุการณ์อยู่ทุกระยะตาไม่กระพริบและบัดนี้ก็ยังจ้องพินิษ์อยู่โดยไม่เปลี่ยนสายตาเหมือนจะคำนวณระดับที่ซากนั่งอยู่ว่ามันจะอยู่ในมุมเดิมในแนวลำตัวตั้งตรงเหมือนตอนแรกหรือไม่ครับแล้วทันทีนั้นทุกคนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะหัวหน้าคณะตาเหลือกตะโกนออกมาเสียงหลงระวัง มันจะเอ็นล้มลงแล้วทุกคนหันขวับแล้วเย็นตั้งแต่เส้นผมจะรดปลายเท้าซากนั้นมีอาการค่อยๆเอนลงทีละน้อยทำท่าจะล้มตะแคงลงไปตามทิศทางเดิมกับที่คิดและบุญคำได้ยกตัวมันตั้งขึ้นมาครั้งแรกก็ช้าๆก่อนจนแทบจะสังเกตไม่เห็นแล้วต่อมาก็จะลม เหมือนท่อนไม้ที่เสียดุลจากการจัดตั้งคริสติน่าโถมเข้าปะทะอิสเบลก ร, ระชากลม้มลงกับพื้นความหน้าแทนทั้งสองควายตะปบไว้ที่ต้นคอหน้าซบแนบดิ่งเฉิดวุฒเพนตัวลอยราวกับนักกระโดดไกลโอลิมปิกก็ไม่ปานพรวดเดียวข้ามภูรากไม้ใหญ่ลงไปนอนกลิ้งบังอยู่หลังพูของรากไม้ซึ่งแน่นหนาราวกับกำแพงนั้น คิตสตาลีและบุญคำยืนตัวแข็งตะลึงพึงเพริดระยะที่ทั้งสามคนยืนอยู่นั้นห่างจากแากประมาณสามว่ามันเป็นเสี้ยววินาทีของทุกคนที่สำนึกบอกกับตนเองว่ากำลังเผชิญหน้าอยู่กับนรกตายกับตายประตูเดียวเท่านั้นไม่มีทางเลือกอย่างอื่นปรากฏการณ์อันสยองหด น, นี้อุบัติขึ้น ในขณะที่รพิน์ไพร์วันเพิ่งจะก้าวขาออกมาเป็นก้าวแรกให้หลังจากที่ชฉวยไรเฟิลของเขาขึ้นมาและในขณะนั้นเขาอยู่ห่างจากซากซึ่งกําลังเอ็นล้มมาทางด้านที่ตนเองยืนอยู่แค่สอนว่าภาพที่ตนเองเหลียวขวับไปพบตามเสียงร้องบอกของด็ตอร์สแตลลีนั้นตะแหงลงแล้วอย่างเห็นชัดด้วยสัญชาตญาณ มากกว่าจะเป็นการสั่งการด้วยประส า, จะาทจอมกุ้คุเทพทิ้งไรเฟิลในมือลงเนพนทรวดเดียวเข้าประชิดซากมื่นปีนั้นเพราะทั้งเอามือยันไว้ก่อนที่มันจะตะแคงลงมากกว่านั้นปากก็ตะโกนชุดเสียงว่ามอบลงคิดกับสตาลีเพิ่งได้สติทิ้งตัวลงนอนราบกับพื้นทันทีเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทําได้ ซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่อาจบอกได้เหมือนกันว่าเมื่อมันตูมขึ้นตนจะตกอยู่ในสภาพเช่นไรบ้างเพราะระยะมันใกล้เหลือเกินบุญคำผู้น่าสงสารแกได้แต่เพียงซุดตัวลงนั่งยองๆเอามือปิดหัวปิดหูวไว้ร้องนัโมออกมาแทบไม่เป็นภาษาคนตัวรพินเองซึ่งโดดเข้าไปยังร่างนั้น ก็สะกดกลั้นใจบอกกับตัวเองว่านี่คือวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเขาแน่แล้วลาก่อนดาริงยอดรักนั่นคือสิ่งที่จะคิดได้ในภาวะเช่นนี้ดวงตาของเขาเบิกพลูอึดใจเต็มๆของความเงียบสงัดที่ทุกคนรอฟังเสียงระเบิดความเงียบยังปกคลุมอยู่เช่นนั้น แฟนใหญ่เริ่มนับดังๆจากหนึ่งไปจนถึงสิบเงีเยบไม่มีเสียงระเบิดหรือความเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ่งมองดูซากที่เขาเอาตัวเข้าไปแบกยันอยู่ในขณะ น, นี้ปรากฏว่ามันเองลงในมุมประมาณ25ห้าองศาจากแนวที่นั่งตัวตรงอยู่องศาที่เองไปขนาดนั้น มันเป็นไปได้ทั้งสองกรณีคือสลักระเบิดติดตัวทํางานแล้วแต่บางเอืน่นได้หรือมิฉะนั้นภายใต้ร่างกายอันใหญ่โตของมันที่ทับกระเดืองไว้ยังไม่ได้ยกขึ้นในมุมสูงพอที่จะให้กระเดืองดีตัวได้คนที่บังกศีรษะขึ้นมาเป็นคนแรกคือพันเอกคิดผู้คุ้นเคยกับระเบิดมากที่สุด ต้องมองไปทางระพินซึ่งยันซากนั้นอยู่พร้อมกับอุทานว่าเฮ้ hey! มันไม่ทำงานคนต่อมาที่ถลันพรวดขึ้นยืนคือหัวหน้าคณะสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจและประหลาดใจระคกันปราศจากสีเลือดส่วนเบนกับคริสขยับตัวออกมาคุกเข่าจ้องตะลึงไปอีกสเสียงด็อกเตอร์สเตลีผู้รอบขอบสั่งกระหึ่งกระหอบมาอีกครั้งว่าลบเขาหลังต้นไม้เร็ว แมมสาวทั้งสองถลันลุกขึ้นพุ่งตัวอ้อมเข้าไปบังอยู่หลังกเกาะต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวกับที่เชิดบุตรไปนอนแอบอยู่แล้วบัดนี้เมื่อเม็ดแป้งเป้งปรากฏอยู่บนหน้าผากของระพินไทรวันผู้ยังใช้กำลังแขนค้ำยันซากอุบาทนั้นอยู่คิดเ้าร้องเรียกเสียงหนักน่ะถ้ามาดูที่ไต้ก้นของมันแล้วก็เดืองดีตัวออกหรือยังถ้าดีตัวออกแล้ว ล้วงมือเข้าไปหยิบออกขว้างไปทางด้านโน้นเร็วชนวนอาจทำงานช้าหรือขัดข้องได้เปอร์เซ็นของการระเบิดยังมีใ่ผมทรงลานบินก็ใจถึงดีเหมือนกันเขาผลักสแตลลีให้วิ่งเข้าไปบังอยู่หลังต้นไม้แต่อีข้างหนึง่งถีบสีข้างบุญคำที่ยังนั่งยองยองอยู่ผลักเข้าให้ร้องตะโกนสั่งให้ลบเข้าไปหาที่กบาบังอันแข็งแรง ดีกว่านั่งจ๋องอยู่เชนั้นและตนเองก็เพ่นเข้ามายังซากนั้นอีกด้านหนึ่งของระพินสุดกายลงก้มดูใต้ก้นของซากทันทีเนื่องจากระพินประคองซากนั้นไว้ในลักษณะเดิมยังไม่ได้พลักขึ้นมาให้นั่ ง, รงตรงบัดนี้จึงมีแต่เพียงพรานใหญ่และนายผมทรงลานบินเท่านั้นที่เสี่ยงชีวิตอยู่แค่สองคนนอกนั้น เลาไปอยู่ในที่ปลอดภัยหมดแล้วคิดแยกเที่ยวก้มลงพิจารณาอยู่อีกอึดใจใหญ่ก็เป๋าลมแก้มโปง่งทำตาเหลือกขึ้นไปบนสวรรค์แทงก็กระเดืองระเบิดยังถูกทับอยู่เลยง้างเพยเยอะขึ้นมาแล้วละ่ะถ้ามันเอ็นลงไปมากกว่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นก็สวัสดีความเศร้ากล่าวจบ ในพันเอกแห่ง U.S. Army ก็ผุดลุกขึ้นช่วยระพินรังเอาศีรษะของซากนั้นให้ขึ้นมานั่งตรงตามเดิมอย่างระมัดระวังพร้อมกับร้องตะโกนบอกพักพวกว่าปลอดภัยแล้วออกมาได้กระเดืองระเบิดยังไม่หลุดพระมักอุเทศใจเด็ดของเราโดดเขายันรับซากของมันไว้ได้ทันบรา ว, วอีกห้าคนในที่กำบัง จึงพูดกันออกมาด้วยสีหน้าปั้นยากที่สุดรพินนั้นเพิ่งจะมีโอกาสหายใจออกมาได้ยังไม่ยอมปล่อยมือจากการยึดซากนั้นและรู้สึกหายใจสะดวกขึ้นเมื่อเห็นคิดมาช่วยรั้งไว้อีกแรงหนึง่งยกแขนข้างหนึ่งขึ้นป้ายเช็ดเหงือ่อบุญคำเขาตะโกนเรียกคนของเขาซึ่งบัดนี้จดจดจ้องจ้องเข้ามานั่งหน้าตาป๋อหลอ ไปตัดกิ่งไม้มาเร็วสองอันยาละสองวาเราจะค้ำยันซากของมันไว้ไม่ให้ล้มลงอีกเร็วเข้าคิดคุณอย่าเพิ่งปล่อยมว้นะประโยคหลังเขาหันไปร้องบอกอเมริกันร่างยักษ์อดีตคู่อริกเก่าซึ่งบัตรนี้มีแต่ความเป็นมิตรอันเปิดเผยคิดพยักหน้าเต็มรับคำส่วนบุญคำก็กระโดดไปตัดกิ่งไม้ทันทีโดยมีเชิดวุช่วยด้วยอีกแรงหนึ่ง และช่วไม่กี่ใจเท่านั้นทั้งสองก็ได้ไม้ท่อนขนาดเท่าข้อมือยาวพอเหมาะมาสี่ท่อนและช่วยกันประสานงานอย่างรวดเร็วทั้งสองด้านของซากหมื่นปีที่ทำท่าจะเล่นกลล้มลงได้ง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลสมควรนั้นตอนนี้ถูกไม้ท่อนค้ายันเข้าที่ก้านคอดุ่นนึงที่สี้างอีกดุ่นนึงโดยคาไวทั้ง2ด้าน ลายไม้ปกักลึกลงไปในดินตำแหน่งที่มั่นคงที่สุดชนิดที่มันไม่มีโอกาสทําตัวเป็นตุกตาล้มลุกได้อีกแล้วพอเสร็จสับของการช่วยกันอย่างกูรีกูจอนั้นรัพินก็พยักหน้ากับคิดเอาละไหวมือได้แล้วละ่ะคิดคราวนี้มันไม่มีโอกาสล้มได้ละไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือด้านขวานอกจากวิธีเดียวเท่านั้นแหละคือลุกขึ้นถ้ามันลุกได้ คิดปล่อยมือออกถอยห่างออกมาพร้อมเขาระพินเช็ดเงอยอีกครั้งตารียิบหยีมองดูเจ้าซากนั้นอย่างคลางแคลงใจคนที่เข้ามาจับมือเขาคือดอเตอร์สแตนลีย์หัวหน้าคณะการจับนั้นบีบกระชับแน่นและสั่นแรงๆระพินพวกเราทั้งหมดรอดตายได้ครั้งนี้ก็เพราะความไวและสติอันดีเยี่ยมของคุณนะ พรานใหญ่สะบัดหน้าไปมาอย่างมึนงงและฝืนยิ้มฝุดๆมองหน้าทุกคนที่ยืนรายล้อมอยู่ในลักษณะที่ยังไม่สัางจากอาการอกสันแข ว, น, ขวนนะคิดว่าเป็นเรื่องโชคดีสำหรับเราทุกคนนะครับตอนที่ผมโดดเข้าไปยันร่างมันไว้ขณะที่เอียงกระเทเร่ลงมานะผมก็คิดถึง 99.99% ซ99นะว่ามันจะต้องระเบิดแน่ สวรร์เบื้องบนช่วยเราไว้แท้ๆล่ะครับที่มันยังเอียงลงมาไม่พอกับที่กระเดียงจะทันดีดหลุดโหหัวใจผมจะวายเส่ได้กล่าวจบเขาก็สุดตัวลงนั่งกาแง่หินก้อนนึงที่โผล่พ้นดินขึ้นมาอย่างหมดเรี่ยวแรงควักบุหรี่ออกมาจุดสูบอัดควันหนักหน่วงคริสติน่ากับอิสเบลยังมีใบหน้าขาวซีดเป็นกระดาษ และยังพูดอะไรไม่ออกอยู่เช่นนั้นนายคีดเปิดกระติกเบรนดีออกมาเทใส่ปากยังกระดื่มน้ำแล้วส่งแจกจ่ายไปยังทุกคนเหมือนจะช่วยกระตุ้นให้เลือดลมเดินเป็นปกติและส่งมือให้ระพิงจับอีกคนหนึ่งเขย่าแรงเช่นกันโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นสำหรับเชิดวุฒภายหลังจากบุญคำเอาไม้ยันซากได้เสร็จเรียบร้อยก็หันมายกหัวแม่มือให้พานใหญ่พางยิ้ม นี่คุณถ้ามันตูมขึ้นมาตะ ก, กี้นี่นะผมคิดว่าคงจะเหลือผมอยู่คนเดียวอะในชุดพวกเราเจ็ดคนนี่แล้วก็อาจจะหลงป่าตายไปเองทีหลังมันไปยะค่ะพรานใหญ่ชูหัวแม่มือตอบแล้วยิ้มให้ครับผมเห็นแล้วว่าคุณบุ่ิเป็นนักโดดไกลที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนนั่นก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับในภาวะเช่นนี้ เราทุกคนร่วมเป็นร่วมตายกันก็จริงแต่เมื่อภาวะจำเป็นขถดสุดมาถึงแล้วเช่นนี้เรื่องอะไรที่คุณจะมาโวยืนเซอร์อยู่หี่จะต้องเข้ามากอดคอตายพร้อมๆกับคนอื่นๆใครมีความสามารถในการรักษาตัวรอดยังไงก็ควรปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองไปก่อนผมไม่เห็นว่าคุณทําได้ถูกต้องที่สุดแล้วครับต่อไปก็ขอให้รู้จักช่วยตัวเองให้เร็วที่สุดแบบนี้ด้วยครับนั่นเป็นคําพูดอย่างชมเชยกันอย่างใจจริง และเจ้าตัวคนที่ได้ยินก็ตระหนักได้ไม่มีใครตำหนีเชิดวุฒิในการที่วินาทีดับจิตนั้นสัญชาตญาณทำให้เขาต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนไม่ได้เกิดจากความขลาดกลัวหรือเจตนาจะปล่อยให้คนอื่นพบกระภัยพิบัติเพราะมันเป็นอุปัตววเหตุที่เกินกว่าที่จะเข้ามาแก้ไขหรือช่วยเหลือใดๆ ไ, ไ, ได้ทั้งสิน้นเนื่องจากเชิดวุฒิในขณะนั้นอยู่ห่างไกลาจากซากไอผีดิบมากกว่าทุกคน ชนิดที่ถ้าทลันเข้ามายันซากไว้ก็ไม่ทันกาทั้งหมดพากันสุดกายลงนั่งพักเพื่อสงบสติอารมณ์ที่กระเจิดกระเจิงให้คืนสู่สภาพปกติบัดนี้ระพินจำแนกคุณสมบัติประจำตัวของบุคคลที่ร่วมทางมากับเขาได้ท่องแท้แล้วเชิดวุฒินะว่องไวและมีสติในการเอาตัวรอดได้มากที่สุด จนไม่ต้องห่วงอีกต่อไปไม่ว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอันเชื่อได้แน่ว่าเขาต้องหาทางหลบหลีกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งคริสติน่านะัรวดเร็วกว่าเบลและมีความรักเพื่อนพร้อมทั้งมีวิญญาณกล้าหารเสียสละพอตัวในการที่จะโถมเข้าปะทะและกระชากให้ล้มหมอบราบกับพื้นแม้ว่าโดยวิธีนั้นก็ยังไม่ทราบแน่ว่าหากระเบิดมันตูมขึ้น จะรอดพ้นอันตรายหรือไม่แต่แม่ผมทองก็ทำได้ดีที่สุดแล้ว